มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอันปอันเิดอันประเสริฐคือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและนิพพานคือการเข้าสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายก็ต้องไม่ทำอะไรให้นั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันและใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับธรรมที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ถ้าสามารถควบคุมกายวาจาใจให้ นิ่งให้สงบได้การฟังธรรมก็จะเกิดอนิสงส์ต่างๆขึ้นมาคือจะทำให้กำจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สองให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาและสามจะทำให้จิตใจสงบ เย็นไม่มีปาศจากความฟุ้งซ่านต่างๆนี่คือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้าฟังโดยที่กายวาจาใจไม่สงบก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่าใจจะต้อง แบ่งไปที่ร่างกายบ้างที่วาจาบ้างที่เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างการฟังธรรมก็อาจจะขาดตอนในขณะที่ใจหันไปให้ความสนใจต่อการกระทาทางร่างกายหรือหันไปให้ความสนใจต่อการพูดคุยกันหรือหันไปให้ความสนใจ กับความคิดต่างๆที่อยู่ในใจเสียงธรรมที่เข้ามาก็จะได้ม่ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาตามก็เป็นเหมือนกับเป็นเสียงลมพัดเสียงนกร้องไปก็เลยไม่รู้เรื่องว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ฟังไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร ในสมัยพุทธกาลตอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพระที่เป็นพระนักปฏิบัติพระนักปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็จะมีกายวาจาใจที่สงบเวลาฟังเทศฟังธรรมท่านก็จะนั่งเฉยเฉยไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการพูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจคิดอยู่กับธรรมที่พระเจ้าได้ทรงกาลังทรงแสดงอยู่พอได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาตามก็จะเกิดความเข้าใจเกิดมีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาทำให้บรรลุ ธ, ธรรมได้ในขณะที่กําลังฟังอยู่เลย ยังไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่ในสมัยพุทธกาลในระยะแรกๆของการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสู่ผู้ที่มีกายวาจาใจที่สงบพอแสดงธรรมแล้วผู้ที่ฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ทันทีนี่คือประโยชน์ ของการฟังธรรมสามารถทำให้ผู้ฟังธรรมบรรลุธรรมได้ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจอยู่กับธรรมที่กำลังแสดงอยู่ตลอดเวลาฟังไปแล้วก็พิจารณาตามไปพอเกิดความเข้าใจก็จะทำให้สามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้สำหรับธรรมที่เราจะฟังกันในวันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังก็คือเรื่องของมารดกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนมหาเศรษฐีของโลกมีทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าราคา เหนือกว่าทรัพ์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทรัพ์ ส, บสมบัติของพระพุทธเจ้าก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะทำให้ผู้ที่ครอบครองอริยทรัพย์นี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพาน ซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้ผู้มีสมบัติของโลกนี้ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของใจได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเ ข, ขากระตา่างต่อให้มีเพชรนินจินดาสมบัติอะไรต่างๆ กองเท่าภูเขาแต่สมบัติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ครอบกองสมบัตินี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถให้ผู้ครอบกองสมบัตินี้ได้เข้าถึงพระนิพพานพระบร ม, มสุขได้มีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระธรรมคาสอนนั้นประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่จะทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้จะเข้าถึงพระอริยทรัพย์อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้พระอริยทรัพย์อันประเสริฐนี้แหละคือมรดกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านี้ส่งมอบให้กับผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ ถือตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทสี่ได้แก่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุและสามเณรบุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่จะมารับเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าที่จะมารับมรดกอ น, น้ำข้าของพระพุทธเจ้าได้แต่การที่จะรับมรดกอ น, น้ำข้านี้ได้นั้น ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระเจ้าได้สรงวางไว้ว่าใครอยากจะได้อาริยทรัพย์อันประเสริฐอยากจะได้วิวมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะได้พระนิพพานความสุขอันยิ่งยั่งยืนที่ถาวรก็จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติตามขั้นตอนสามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือต้องศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าการที่จะทำให้ใจได้รับอริยศัพย์นี้จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างเบื้องต้นต้องศึกษาก่อนเพราะถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้แล้วก็จะหลงทางได้ข้อที่สอง การหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติอย่างเข้่งครัดที่เรียกว่าปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งคําสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ขั้นที่สาม ก็จะได้ขั้นเขาจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันไปสู่ขั้นที่สองพระสกิดาคามีไปสู่ขั้นที่ 2, พสพระอนาคามีและไปสู่ขั้นที่ 3, าคาส 4, คือพระอารหันต์พอได้เป็นพระอารหันต์แล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์จะได้เข้าถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุข ที่ยังยืนถาวรไม่มีความทุกข์อีกต่อไปง น, นั้นนี่คือเรื่องของการรับมรดกต้องมีการทำตามขั้นตอนมีเงื่อนไขที่จะทาผู้ที่จะรับมรดกต้องทำตามเงื่อนไขไม่ใช่ว่าพอประกาศตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วจะได้รับมรดกโดยอัตโนมัติ เราดกคือพระอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี้ต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในพินัยกรรมพระเจ้าเขียนพินัยกรรมไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าอริยทรัพย์อันกระเสริฐของเรานี้เราจะมอบให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราได้กาหนดไว้ก็คือต้องศึกษาวิธี การปฏิบัติให้เข้าถึงพระอริยทรัพย์แล้วหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำาอาไปปฏิบัติอย่างอย่างเต็มที่ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนทุกประการผลก็จะตามมาอริยผลอริยทรัพย์ก็จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งแรกสาหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะรับมรดกอ น, นุลำคาของพระพุทธเจ้าสิ่งแรกที่จําเป็นจะต้องกระทาก็คือต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและการที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่ที่ถูกต้อง ก็คือต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีแล้อศึกษาจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็คือพระรัตนตรัยนี่เองเราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ก่อนจากโลกนี้ไปว่า พวกเราชาวพุทธนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็คือพรอทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองคำสั่งคำสอนที่เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโลทำที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพ ว, พวกเราต่อไป พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอพวกเราเข้าหาพระธรรมคำสั่งคาสอนพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ตัดโดยพระพุทธเจ้าเองสอนโดยพระพุทธเจ้าเองแล้วได้มีการจดจำมาอย่างต่อเนื่องผู้ที่มาทำหน้าที่จดจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาบวชในพระพุทธศาสนาขลามาบวชท่านก็ต้องมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพุทธกาลนี้ยังไม่มีการเขียนเป็นตัวอักษรไม่มีการบันทึกเป็นหนังสือก็เลยใช้การจดจําด้วยการท่องจําด้วยการสวดการสวดบ่อยๆท่องจาบ่อยๆมันก็จะฝังอยู่ในใจ อันนี้เป็นวิธีที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการบันทึกกันเอาไว้บันทึกในใจของพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มากมายเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมวันละหลายครั้งด้วยกันเช่นวันในแต่ละวันนี้ ก็จะส่งแสดงธรรมถึงสามถึงสี่ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็จะทรงแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาตโยมค า, าววะคู่ครองเลื่อนพอยามพอตอนค่ํา <c oughs> ก็จะแสดงธรรมอบรมสั่งสอนท้าทิกสุสัมมณีนักทิกศณีในยามเดึกก็จะทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลาย และในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกทรงบินบาทก็จะทรงเร่งยานดูว่าจะไปสอนธรรมะให้กับใครเป็นกรณีพิเศษใครที่มีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นและก็อาจจะมีเหตุที่จะทำให้จะต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอัานใกล้พระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้น เพราะว่าถ้าเกิดเขาตายจากโลกนี้ไปก่อนที่จะได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าโอกาสที่เขาจะได้รับประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็จะหมดไปแล้วเวลาที่เขากลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้ก็อาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ถ้ายังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาการที่จะหลุดพ้นจากกองทุ์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด การที่จะเข้าถึงพระนิพพานนี้ย่อมเป็นไม่ได้เลยย่อมเป็นไปไม่ได้เลยต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีการสั่งการสอนมีการปฏิบัติถึงจะสามารถที่จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์จึงทรงเห็นความสำคัญความจาเป็น ของบุคลบคลบางบุคคลที่อาจจะมีใจที่พร้อมที่จะรับธรรมะเช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่จะใกล้าตายนี้มักจะพร้อมที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พร้อมที่ยอมรับความจริงของร่างกายได้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าไม่มีธรรมะมาคอยสั่งสอนใจใจจะทุกข์ทรมานกับความแก่กับความเจ็บความตายของร่างกายเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีธรรมะมาสอนให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็สามารถที่จะปล่อยวางได้บรรลุเป็นพระ อาลัยบุคคลขึ้นมาได้ทําต่างๆนี่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยวันละสามสี่รอบก็จะมีการจดจำแล้วก็ต่อมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากโลกนี้ไปแล้วก็มีพราะอารหรันตเถระก็ได้เรียกประชุมพระอารหัน0ร้อยรูปด้วยกัน พระอรหันต์ก็คือพระที่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดของพระอริยสัพน์แล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านเหล่านี้จะรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรท่านก็จะมาประชุมร่วมกันแล้วก็มาทบทวนคาสั่งคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกจ ด, จดจําไว้ในใจ ของพระแต่ละรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมถึง45ปีด้วยกันวันละวันละ 3-4 รอบปีหนึ่งก็มีทั้ง365วันคูณเข้าไปอีก45ปีธรรมะที่ทรงแสดงไว้ก็จะมีมากมายก็เลยต้องมีการมาทำสังคารนามีการมาขัดเรลามาตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ก็มีพระอรหันต์นี่แหละเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการตรวจสอบคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ถูกตั้งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้หรือไม่เพราะบางครั้งบางคาวบางคนก็อาจจะฟังแล้วจำคาดเคลื่อนไปก็ได้ mm. แต่เมื่อมีพระอรหันต์ถึงห้าร้อยรูปมาคอยตรวจสอบ โอกาสที่จ ะ, ะมีของแปลกวองเข้ามาในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็แทบจะไม่มีเลยเพราะถ้ามีอะไรแปลกวองนี่ผ้ามหันนี่จะรู้ทันทีรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะตัดออกไปจะเก็บไว้แต่คาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากการสังฆทานาแล้วก็มีการ จดจาถ่ายทอดกันมาเป็นยุคเป็นสมัยจนมาถึงยุคที่มีการบันทึกเป็นตัวอักษรได้เป็นตัวหนังสือได้<ม>ก็เลยเอามาเก็บไว้ในพระคมภีที่ชื่อว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่แหละเป็นที่เก็บคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าไว้แบ่งเป็นสามหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งเรียกว่าพระวินยัย พระวินัยปิดกอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบของของนักบวชของพระภิกษุและพระภิกษุณีเช่นศีลสองอยี่สิเจข้อของพระภิกษุก็จะมีบันทึกไว้ในพระวินัยปิดกแล้วคภีร์เล่มที่สองที่เรียกว่าพระสูตรตันตะปิดกอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของพระสูตรต่างๆคือ ธรรมเทศนาต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในแต่ละครั้งเวลาทรงแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็จะมีการตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นชื่อพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เช่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็ทรงแสดงธรรมโปดพระปัญจวัคคีธรรมที่แสดงก็มีอริยสัจสี กับมรรคแปดก็มีการตั้งชื่อว่าพระสูตรอันนี้ชื่อว่าพระธรรมจักรกับประวตนาสูตรเป็นต้นพระสูตรนี้จะเป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆในโอกาสต่างๆแล้วก็จะมีการจดจำกันมาถ่ายทอดกันพระสูตรเหล่านี้ก็จะมีบรรจุไว้ในพระปิดก อันที่สองพระไตรปิฎกมีสามปิฎกด้วยกันอันแรกก็พระธรรมพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับพระวินยัยอันที่สองก็พระสุตรพระสุตรตันตะปิฎกก็เรียกว่าก็คือพระธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วปิฎกที่สามเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกอันนี้ก็เป็นการรวมรวบรวมเอา ธรรมะต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงมาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้จะไม่ได้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมที่ไหนไปทรงแสดงธรรมให้กับใครเป็นต้นเพียงแต่ยาวธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงในสถานที่ต่างๆนี้มาจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อการศึกษาที่จะศึกษาได้ ได้ง่ายขึ้นถ้าอยากจะรู้ว่าอริยสัจสี่เป็นอะไรก็ไปดูที่พระอภิธรรมปิดกได้เลยถ้าไม่รู้ถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสีที่ไหนบ้างแสดงให้กับใครก็ไปหาอ่านในพระสุตตานตปาปีดก น, นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วได้มีการเก็บบันทึกไว้ใน พระไตรปิฎกถ้าพวกเราที่ต้องการที่จะศึกษาคำสั่งคำสอนที่ถูกต้องแม่นยาที่สุดเราก็ต้องเข้าศึกษาที่พระไตรปิฎกซึ่งถึงแม้ว่าพระไตรปิฎกนี้จะมีคำสั่งคำสอนมากมายถึงแปดหมสี่พันธรรมบทก็ตา่างแต่คำสอนทั้งหมดนี้ก็มีเป้าหมายอันเดียวกัน คือสอนวิธีการดับทุกข์ให้รู้จักวิธีการดับทุกข์ด้วยธรรมชนิดต่างๆสมัยนี้ทางคณะสงฆ์เราก็ได้มีการรวบรวมเอาพระธรรมคาสอนมาจาัดเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าัหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปค้นค้าในพระไตรปิฎก เาก็ไปซื้อหนังสือหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกที่มีขายในตามสำนัก <c oughs> สำนักศึกษาสำนักเรียนของพระภิกษุได้ตามวัดที่มีการเรียนจะมีหนังสือหลักสูตรนักธรรมตรีโทเอกซึ่งสำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาในระดับนักธรรมตรีก็พอเป็นหนังสือเล่มเดียวที่สอนบทธรรมที่สําคัญต่างๆ ให้รู้ว่าทมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรเช่จนจะมีธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องมรรคแปดเรื่องอริยสัจสี่เรื่องไตรักเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นธรรมเหล่านี้ถ้าเราไปศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการดับความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร อ, อย่ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็จะไปถูก ความความเชื่อแบบงมงายมาครอบงำ ม, มาหลอกให้คิดว่าวิธีการดูดพ้นจากความทุกข์ก็คือให้การไปอาบน้ำมนต์บ้างให้การไปกราบพระพุทธรูปองค์นั้นองค์นี้บ้างสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นความเชื่อที่ได้มีการถ่ายทอดมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน จนเลยทําให้กลายเป็นกลายเป็นความจริงไปก็เลยกลายเป็นความหลงงมงายถ้าปฏิบัติตามสิ่งเหล่า น, นี้โดยที่ไม่ได้ไปศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าการดับความทุกข์นั้นจะต้องดับด้วยวิธีใดก็อาจจะคิดว่านี่คือวิธีของการดับความทุกข์เพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าความทุกข์นี้เกิดจากการที่ ไม่ร่ำไม่รวยไม่มีเงินไม่มีทองใช้ก็เลยคิดว่าถ้าไปกราบพระไปกราบพระพุทธรูปก็ดีพระองค์ใดก็ดีที่มีมีความสามารถที่จะเสกที่จะเป่าให้ผู้ที่ไปกราบไหว้นิร่ำรวยขึ้นมาก็คิดว่านี่คือวิธีการของการดับความทุกข์ก็ได้คนสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าวัดกันเพื่อที่จะไป แสวงหาลาบสักการะกันเพราะคิดว่าการขานลาบสักการะนี่แหละคือเหตุของความทุกข์กันไม่มีเงินทองก็ทุกข์กันไม่มียศไม่มีตําแหน่งก็ทุกข์กันก็เลยอยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งกันถ้าที่ไหนมีมีข่าวหรือว่ามีพระ ท, ที่สามารถเสกสามารถเป่าให้ผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาสามารถให้เกิดความร่ารวยขึ้นมาได้ อยากจะขายที่ดินก็ขายได้อยากจะได้รายได้อยากจะได้เงินได้ทองก็ได้มาก็คิดว่านี่เป็นวิธีการของการดับความทุกข์ไปก็เราจะหลงงมงายแต่ความจริงแล้วการได้ลาบสักการะมานี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะดับความทุกข์ทางใจได้แม้แต่เศรษฐีมาเศรษฐีของโลกมีเงินกองเท่าภูเขาก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ถ้าเรามาศึกษาแล้วเราถึงจะรู้ว่าความทุกข์ของใจเรานั้นเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงความทุกข์ของใจเรานี้อยู่ในพระอริยสัจสี่พระอริยรรสัจสี่นี้คือจะแสดงเรื่องของความความทุกข์ว่าความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การ อดอยากขาดแคลนควอยู่อยู่ที่การขาดเงินขาดทองขาดยศขาดตำแหน่งแต่ความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่การเกิดการมาเกิดนี่ทาให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วจะมีอะไรตามมาต่อไปเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาแล้วก็ในที่สุดก็มีความตายตามมาไม่ว่าจะเกิดมารวยมาจน เกิดมาใหญ่มาเล็กก็ตามก็มะจะต้องเจอกับความทุกข์เหมือนกันทุกคนเพราะร่างกายของของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนรวยหรือของคนจนของคนฉลาดหรือของคนโง่ของคนใหญ่คนโตหรือคนเล็กคนน้อย<ม>ก็มีมีความแปรปวนเหมือนกันคือมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเหมือนกัน และเวลามีความเจ็บมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายก็จะเกิดความทุกข์ใจกันทุกคนไม่มีใครไม่ทุกเวลาที่เจอกับความแก่ไม่มีใครไม่ทุกเวลาที่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครไม่ทุกเวลาที่เจอกับกับความตายกันมีมีแต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันทั้งนั้น ต่อให้มีทรัพสมบัติเก้าของเงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็ตาม mm. ก็ยังไม่พ้นที่จะต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้ mm. แล้วในพระอริยศัสตร์ข้อที่สอง mm. พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าสาเหตุของความทุกข์ที่เวลาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพัดพากจากกันนี้ mm. มาจากความอยากของใจนี้เอง ความอยากที่จะมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆในโลกนี้อยากจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่อยากได้ร่างกายของคนหนุ่มคนสาวมีตาหูจมูกมิ้นกายที่สมบูรณ์เพราใจนี้อยากจะหาความสุข จ, จากการเสพลูกเสียงกลิ่นลดผลอภัพชนิดต่างๆที่เข้ามา ทางตาหูจมูกนิ้งกายนั่นเองแต่พอเวลาร่างกายเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความสามารถในการที่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะน้อยลงไปเรื่องหมดไปอันนี้แหละจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนยึด จ, จนก็ตาม เวลาที então, und, Then, But, ่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่สามารถไปหาได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจกันทุกคนแต่การดับความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดับไปด้วยการไปหาสิ่งที่อยากได้เช่นถ้าร่างกายถ้าร่างกายแก่เจ็บตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ที่มักจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่นี้ตายไปใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับใจไม่ได้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากที่อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่ในใจวความอยากเหล่านี้แหละที่มันจะพาให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ แต่ไปเกิดกี่ครั้งก็จะต้องเจอกับความทุกข์แบบเดียวกันทุกครั้งไปได้ร่างกายมากี่ร่างกายก็จะต้องเจอกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้งไปดังนั้นวิธีการแก้ความทุกข์นี้ไม่ได้ไปแก้ด้วยการไปเกิดใหม่หรือแก้ด้วยการที่จะไปะรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาได้มันก็หายแบบชั่วคราวหายจากโลกไปได้ไม่ไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่อีกมันก็ย่อมต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาเจ็บก็ไปรักษาพยาบาลหายจากการรักษาพยาบาลก็กลับมาหาความสุขจากจากการใช้ร่างกายไปเสพลูกเสียงจิตลดต่างๆแต่เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งร่างกายมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยใช่นว่แล้วจนในที่สุดมันก็ต้องตายไป วิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ไม่ได้ไปแก้ที่การไปซ่อมร่างกายไปรักษาร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้มาทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจไปได้เรื่อยๆเพราะว่าร่างกายนี้มันรักษาอย่างไงในที่สุดมันก็ต้องมันก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วถ้าไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่มันก็จะต้องเจอปัญหาแบบเดิมอยู่ดี ร่างกายทุกร่างกายที่เราได้มามันก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ดีดงนั้นการที่เราไปเกิดใหม่นี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะทําให้เราแก้ความทุกข์ได้วิธีจะแก้ความทุกข์นี้พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าเราต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเท่านั้นเองหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่งตางๆถ้าเราหยุดหยุดความอยากได้สามารถอยู่โดยที่ไม่ต้อง สาศยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีความสุขได้เพราะการที่เราหยุดความอยากนี่แหละจะทำให้ใจของเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่เราเรียกว่าพระนิพพานนี่ น, นี่คืออริยศาสตร์ข้อที่สวิธีที่เราจะดับความทุกข์ของในใจเรานี้เราต้องมาดับที่ความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจในเบื้องในความอยากที่จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายไม่สามารถไปทําอะไรตามที่เราอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ เพราะเราไม่มีอยากไม่มีความอยากจะทำอะไรเราอยู่เฉยๆได้ใจของเรานิ่งสงบมีความสุขกับการอยู่เฉยๆอยู่กับการตรดสกัดความอยากได้และวิธีที่เราจะทำให้ใจของเราหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ตัดความอยากต่างๆไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายและเรื่องของสิ่งต่างๆได้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องมีเครื่องมือ เมือที่พระเจ้าได้ส่งคนพบที่จะมาทําให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่ามรมรคมรรคนี้ก็มีเรียกว่ามร 8, มรคแมรรคที่มีองค์8มีวิธีการปฏิบัติอยู่8ข้อด้วยกันแต่เราก็จะสามารถที่จะย่นเข้ามาให้เหลือสมข้อได้มรรคแนี้ถ้ามาย่นลงมาก็เหลือสมข้อก็คือศีลสมาธิปัญญา สีนสมาธิปัญญานี้ถึงแม้จะเป็น3มข้อแต่ก็รวมรวมรวมมรคดอยู่ในในข้อนี้เช่นข้อสีนคือการไม่กระทำบาปนี้ก็จะรวมมรค3ข้อด้วยกันเข้ามาคือสัมมากรรมมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องและสัมมาชโวะอาทีพที่ถูกต้อง ผู้ที่รักษาศีลก็จะมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชิวสัมมันคัมมนโตก็คือการการะทําที่ถูกต้องก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดป่นสัมมาชิวก็คือไม่ทำอาชีพที่ที่ที่จะต้องทําบาปที่จะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นเพราะว่าถ้าไปทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะไปทําบาป ก็จะไม่มีสัมมากัมมันโตจะมีะมิจฉากัมมันโตเป็นการกระทาที่ผิดวิธีที่เราจะสามารถหยุดความอยากและทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องใช้ใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสาข้อศีลนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับแรกก็คือศีลห้าสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีศีลเลยก็ต้องพยายามฝึก รักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ครบก็เอาเอาเท่าที่ได้ก่อนเอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้เราเริ่มต้นที่ข้อไหนที่ง่ายที่สุดสําหรับเราถ้าการดื่มสุรายาเมาเลอกการดื่มสุรายาเมาได้เราก็เลิกกา ร, ราาดื่มสุราไว้ก่อนถ้าเลิกพูดปดได้เราก็เลิกพูดปลดถ้าเลิกพูดประพฤติผิดประเพณีชอบเที่ยว ชอบไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นเี้เราก็เราก็เลิกข้อนั้นไปถ้าเราเลิกรักทรัพย์ได้เราก็เลิกรักทรัพย์ถ้าเราเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เราก็เลิกไปถ้าเรายังทำทีเดียวพร้อมกันห้าข้อไม่ได้ก็ค่อยๆเพิ่มจากน้อยไปหามากได้เพราะกำลังของการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้มันก็ต้องมีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ กำลังส่วนหนึ่งก็คือจะได้จากการที่เราได้ยินได้ฟังทำได้อยู่ใกล้กับผู้ที่เขามีศีลเวลาที่เราเข้าว่าแล้วเราเห็นคนอื่นเขาทําไมเขารักษาศีลได้ทําไมเรารักษาศีลไม่ได้เขากับเราก็เป็นคนเหมือนกันเมื่อเห็นเขารักษาได้เราก็ต้องรักษาได้พอเราก็อยู่ใกล้กับคนที่เขามีศีลมันก็จะทําให้เรามีความเพียรความพยายามที่จะกระทําตามเขา ถ้าเมื่อเกิดมีความเพียรพยายามจะทำแล้วเดี๋ยวก็จะทำได้ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากต่างๆเราต้องหยุดความอยากอยากในการกระทำบาปก่อนทำไมเราถึงต้องทาบาปก็เพราะว่าเราอยากได้ความสุขจากการกระทำคือเวลาที่เราค้ำทำทำบาปนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะได้เข้าของเงินทองของผู้อื่น พอเวลาเราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้บางทีเงินเราไม่มีเงินเราไม่พอเราก็จะไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขไม่ได้คนที่ไม่มีรายได้พอแต่อยากจะใช้เงินเพื่อให้ซื้อความสุขต่างๆเขาก็จะต้องไปทำบาลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งบางทีก็ไปประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้ ก็อยากจะมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้แต่ตอนเองไม่มีของของตนเองไม่มีภรรยาไม่มีสามีของตนก็เลยไปยุ่งสามีภรรยาของผู้อื่นเขาเพราะกามเนี่ยความอยากเสพกามเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทำบาปกันเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเสพกามไ ด, ด้ด้วยวิธีสุดเจริคก็ไม่ทำบาปเราก็จะมักจะไปทาบาปกัน การถือศีลนี้ก็เป็นการมาคอยสกัดมาคอยระ ง, งับความอยากต่างๆให้มันไม่สามารถทำได้ถ้าเรารักษาศีลได้เราจะไปประพฤติผิดประเพณีก็ไม่ได้เราจะไปหาความสุขจากการดื่มชโลายาเมาก็ไม่ได้เราจะไปโกหกเราโกห ก, ล ก, กหกลอกลวงเอาเงินของคนอื่นมาเพื่อมามาเที่ยวมากินมาดื่มก็ไม่ได้หรือเราจะไปลักทรัพย์ของคนอื่นมาก็ทำไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นของการสกัดกั้นความอยากที่จะมาทําให้เราต้องมาทุกข์ต่อไปเวลาที่เราต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเบื้องต้นก็ลองมารักษาศีลกันดูศีลห้าเป็นเป้าหมายอันแรกถ้ายังไม่ได้ห้าข้อก็เอาข้อหนึ่งก่อนก็ได้ข้อสุราก่อนข้อสุรานี่จะถือว่าง่ายที่สุดก็ได้ เพีงแต่ไม่ดื่มไม่ไปอยู่ใกล้สุราก็ามันก็ไม่ได้ดื่มสุรานะอย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่ชอบดื่มสุราอย่าไปสนิทกับคนที่ชอบดื่มสุราเพราะคนที่ชอบดื่มสุราเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราด้วยกันไปอยู่กับคนที่ไม่ดื่มสุราไปอยู่วัดเนี่ยคนบางคนที่อยากจะเลิกสุราบางทีก็ไปอาศัยการไปอยู่วัดไปบวชกันก็มีบวชสามเดือนนี้พอกลับมาก็เลิกเลิกดื่มสุราได้ หลังจากที่ไม่ได้เด่มมาเป็นระยะเวลาสามเดือนมันก็จะมีกําลังที่จะต้านความอยากที่จะเด่มสุราได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เราครบคนคบคนดีคนที่มีศีลอย่าไปคบกับคนที่ไม่มีศีลเพราะถ้าเราครบกับคนที่ไม่มีศีลเขาก็จะดึงให้เราไปไม่มีศีลเหมือนเขาคบกับคนที่ชอบเด่มสุราเขาก็จะชวนเราไปเดิมสุรา คบกับคนที่ชอบโกหกเขาก็จะชวนให้เราโกหกคบกับคนที่ชอบประพฤติผิดประเพณีเขาก็จะชวนให้เราไปประพฤติผิดประเพณีคบกับคนที่ชอบรักทรัพย์เขาก็จะชวนให้เราไปรักทรัพย์คบกับคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็จะชวนเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นอย่าไปคบกับคนเหล่านี้ถ้าเราอยากจะรักษาศีลถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะรักษาศีล ได้ด้วยด้วยกำลังของเราเองก็ต้องอาศัยกำลังของคนอื่นไปครบกับคนที่เขาไม่ดืม่มโซราไปครบกับคนที่ไม่โกหกครบกับคนที่ไม่ประพฤติผิดประเทนีไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นไปอยู่ตามวัดต่างๆไปอยู่กับพระพระท่านจะมีศีลท่านจะไม่ทาสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่ชวนเราให้เราไปทาสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เรานี่ สามารถที่จะรักษาศีลได้เมื่อตอนให้รักษาศีลหน้าให้ได้ก่อนรักษาให้ได้จนจนเป็นนิสยัยเป็นปกติสามารถรักษาได้ทุกวันอต่อมาถ้าเราอยากจะอยากที่จะเพิ่มการรักษาให้มากขึ้นเพราะถ้ามีศีลมากขึ้นเราก็จะลดหรือตัดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปได้เมื่อเราตัด ความอยากต่างๆให้ลดน้อยลงไปได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในใจของเราก็จะน้อยลงไปตามลาดับเบื้องต้นเวลาเรารักษาศี่ห้าแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเรานี้มีความทุกข์น้อยกว่าตอนที่เราไม่ได้รักษาศีลห้าเพราะเวลาที่เราทำบาปแต่ละครั้งนี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่พอเราไม่ได้ทำบาปแล้วเรารู้สึกสบายใจน้อง อ, อกน้องใจไม่ดี ไม่มีความมิตกกังวลกับบาปที่เราทําเพราะว่าเวลาทําบาปนี้มันก็มีโทษตามมาด้วยโทษก็คือบางทีอาจจะต้องถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางก็ได้หรือถูกคนเขาตาเนิตีเตียงก็ลหานินทาก็ได้พอเราไม่ได้ทําบาปนี่ใจเราก็จะไม่มีความมิตกกังวลกับโทษของการของการทําบาปเราก็จะลดความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปได้เราก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลของการมีศีลว่ามันช่วยลดความทุกข์ใจได้เพราะมันลดความอยากที่อยากจะไปทำบาปได้ความอยากที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปมันก็อาจจะทำให้เราอยากที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่านอกจากการรักษาศีลเรายัางต้องมีการปฏิบัติอีกสองขั้นด้วยกัน คือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาเพราะว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติขั้นสมาธิได้เราจะดับความทุกข์ต่างๆลงไปได้อีกมากมายเลยทีเดียวแล้วถ้าเราปฏิบัติขั้นสมาธิได้แล้วต่อไปเราก็อยากจะปฏิบัติขั้นปัญญาต่อไปถ้าได้ขั้นปัญญาเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจเราให้หมดสิ้นไปได้เลยแต่เบื้องต้นนี้เราต้องดับความทุก ของใจที่เกิดจากการกระทําบาปจากการไม่รักษาศินห้าให้ได้ก่อนพอเรารักษาศินห้าได้เป็นปกติแล้วสามารถรักษาได้ทุกวันขั้นต่อไปเราก็ไปรักษาเพิ่มเลือกรักษาศีลเพิ่มเพราะการที่เราจะไปปฏิบัติสมาธิไปทําใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากต่างๆหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้เราจําเป็นจะต้องมีการหยุดความอยาก การที่เราอยากจะหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆวิธีที่จะทําให้เรานี้หยุดความอยากที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็คือการเพิ่มศีล ข, ขึ้นมาอีกสามข้อด้วยกันจากศีลห้าข้อก็เพิ่มเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะมาเริ่มมาห้ามไม่ให้เราไปทําตามความอยากต่างๆเช่นศีลข้อสามนี้ก็ให้เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเพณี ให้มาให้ไม่ไม่ให้ประพฤติการการมีการร่วมเพศกันเลยสินสินห้านี้ยังอนุญาตให้มีการร่วมเพศกับสามีกับภรรยาของตนได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นเทนั้นแต่ถ้ามาถึงสินแปดแล้วสินข้อสามนี้ก็จะกลายเป็นอบร ม, มจริยาคือการประพฤติสินพรหมจรรย์ก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลย ขาดความอยากร่วมหลับนอนไปได้ข้อหนึ่งการร่วมหลับนอนนี้มันจะทําให้จิตใจเราต้องมาคอยวุ่นวายกับการหาคูหา่หาคู่นอนอยู่เรื่อย เ, เวลาที่ไม่มีคู่นอนแล้วอยากจะนอนอยากจะร่วมเพศมันก็จะเกิดความเหงาเกิดความว่าวเวยเกิดความหมงุดหงิดเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเราถือศีลข้อนี้ได้เราก็จะตัดปัญหาเรื่องของการที่อยากจะไปนอนกับใครได้เลยความทุกข์ที่จะเกี่ยวข้องกับการไปเซการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็จะหมดไปอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาข้อสามเราต้องระงับการร่วมเพศกันนงับความอยากของการร่วมเพศกันลดความอยากให้น้อยลงไปตัดความอยากแล้วก็มาตัดความอยากที่อยากจะกิน อยากจะกินอยากจะดื่มอาหารและเครื่ดื่มต่างๆตามตามที่เราต้องการเราก็จะมาถูกกำจัดให้ดื่มให้รับประทานอาหารได้เฉพาะเวลาคือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าการดื่มาการดื่มหรือการรับประทานอาหารนี้ก็เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้มาเพื่อสร้างความสุขให้จากการได้กินได้ดื่มอาหารต่างๆ เพราะว่าการกินดื่มอาหารตามความอยากนี้มันจะกลายเป็นพิษกลายเป็นโทษต่อร่างกายได้เป็นคนที่กินแบบไม่รู้จักกินจากพอนี้น่างกายก็จะอ้วนขึ้นมามีน้ําหนักเกินแล้วก็จะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคไขความความดันเอ่อโรคไขมันเอ่อโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆก็จะตามมา ท, าทันทีแล้วนอกจากนั้นยัง นัเจอโลกภายแล้วยังทำให้ใจนี้ไม่มีความสุขเพราะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รไม่รู้จักพอกินอิ่ ม, มสักพักเดียวเดี๋ยวก็อยากจะกินอีกนะก็ต้องคอยหามากินอยู่เรื่อยๆจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้ใจได้มีความสุขให้จากความสงบได้เลยดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะมาฝึกสมาธิเพื่อมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ก็จาเป็นที่จะต้องอ ละงับความอยากในเรื่องของการดับประทานอาหารการดื่มเครื่องดื่มต่างๆคาจัดเวลาไวา้ผู้เจ้าบอกให้อย่ากินหลังเที่ยงวันไปแล้วอย่ากินอย่าดื่มเครื Colombia, istle, ่องดื่มต่างๆหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้าหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ําเปล่าไปก็พอเพราะสิ่งทีง่ร่างกายต้องการก็คือน้ําเปล่าร่างกายไม่ต้องการเครื่องดื่มที่มีรสมีชาติมีสีมีสารอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาของความอยาก ที่เราต้องการจะกําจัดถ้าเราต้องการกําจัดความอยากเราก็ต้องอย่าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีรสมีสีมีสสงเพราะเราดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองร่างกายขาดน้ําไม่ได้เดี๋ยว ร, ร่างกายขาดน้ำํำเราก็ต้องคอยเติมน้ําำน้ําที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายก็คือน้ําสะอาดบริสุทธิ์นี้ไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าน้ําที่มีรสหวานกินเข้าไปเดี๋ยวน้ําตาลก็ขึ้นอีกเบาหวานก็ขึ้นอีกน้ําที่มี ถ้ามีสุรายาเมาเดื่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ทําให้เกิดอาการบุญเมามงั้นอย่าไปเสพอะไรตามความอยากพยายามฝืนไว้<ม>รักษาศีลข้อแปข้อหนี้ก็จะทําให้เราลดความอยากในเรื่องกินในเรื่องดื่มได้<ม>แล้วก็เพิ่มรักษาศีลข้อที่เจศีลข้อที่เจก็ให้เราลดความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอยากจะดูหนังฟังเพลงน้องนำทําเพลง อยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปลงมหโหลศบไปหาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เราถ้าถือสินแปดแล้วเราก็จะทำไม่ได้สินเจ็ดสินข้อเจ็ดนี้เราก็จะทำไม่ได้เราก็จะได้แล้วก็ไม่ให้เราหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งหน้าแต่งผมทำผม ท, า, ทาปากทาอะไรต่างๆใส่เสื้อผ้าที่สวยสวยงามวิจิตพิสดารใช้น้ำมันใช้น้าหอมอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่จะนำความทุกข์มาให้กับเราต่อไปเวลาที่ร่างกายเราแก่เสริมยังไงมันก็ไม่สวยทำยังไงมันก็ไม่สวยบอเห็นร่างกายที่แก่ก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดังั้นอย่าไป อย่าไปหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายเพราะมันเป็นของชั่วคราวในที่สุดวันใดวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องแก่ลงไป น, นี่คือวิธีการหยุดความอยากที่จะเสพกามต่างๆเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพภะภแล้วก็ข้อที่แปดก็คือไม่ให้เราหลับนอนมากเกินไปเพราะว่า ถ้าเราต้องการจะปฏิบัติสมาธิทำใจให้สงบเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การหลับนอนนี้จึงควรจะหลับนอนพ อ, พอประมาณก็พอคือให้พอต่อความต้องการของร่างกายอย่านอนมากเกินไปร่างกายเวลาพักผ่อนหลับเวลาเหนื่อยถ้าได้รับการพักผ่อนหลับนอนห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงก็จะตื่นขึ้นมาได้ แต่ถ้านอนบนเตียงที่สุขที่สบายมีฟูกหนาเวลาร่างนะกายตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะมันมีความันมีความสุขมีความสบายจากการหลับนอนก็เลยจะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็เลยทําให้เสียเวลาอันมีค่าที่เราจะมาใช้กับการปฏิบัติสมาธิมาทําใจให้สงบมาหยุดความอยากด้วยการทําใจให้สงบและมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ ของความส ง, สงบและของการหยุดความอยากเราต้องมีเวลาเราถึงต้องเลิกกิจกรรมทางการทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดูไม่ฟังไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มอะไรนอกเวลาเอาเวลาอันนี้มาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าเรามีเวลาว่างแล้วทีนี้เราก็จะต้องไปหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเจริญสมาธิ การปฏิบัติสมาธิจะได้ผลดีต้องไปอยู่ที่ที่มันสงบที่ไม่มีอะไรมาบรบกวนยั่วยวนกวัใจอย่าไปปฏิบัติอยู่ในที่ที่มีรูปเสียงรูปเสียงขิ่นรดต่างๆที่จะมาคอยยั่วยวนกวนใจเช่นปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิที่บ้านนี้มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราคนอื่นเขายังกินข้าวเย็นอยู่คนอื่นเขายังดูหนังฟังเพลงอยู่ พะเราเห็นเขากินเดี๋ยวเราก็จะอดไม่ไหวก็จะปฏิบัติไม่ได้ต้องไปอยู่กับพวกที่เขาไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไม่กินข้าวเย็นก็ต้องไปอยู่ที่วัดวัดนี้เป็นที่ที่ไม่มีการการกินข้าวเย็นกันไม่มีการดูหนังฟังเพลงกันเป็นที่ที่จะมีการฝึกสตินั่งสมาธิกันกเราต้องไปหาสถานที่สงบตามวัดวาอารามต่างๆถ้าเราอยากจะฝึกสมาธิให้ได้ผลดี และการฝึกสมาธิที่จะให้ผลดีเราต้องปฏิบัติแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานไม่ใช่นั่งสมาธิเพียงห้านาทีสิบนาทีแล้วจะเกิดผลขึ้นมาอันนี้เหมือนนกกระจอะ ก, กินน้ำมันไม่ได้อะไรหรอกการที่จะได้ผลจากการฝึกสมาธิจริงๆต้องไปอยู่วัดนลไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยสิ่งแรกที่เราต้องปฏิบัติเพื่อที่จะทําทใจให้สงบก็คือเราต้องจะเราต้อง เ ร, เราต้องปฏิบัติสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดใจหยุดคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้เราจึงต้องมาฝึกสติมาหยุดความคิดกันก่อนและการฝึกสตินี้สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถ ท, ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนถึงเวลาหลับนี้เราสามารถฝึกสติควบคุมความคิดได้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ยังสามารถควบคุมความคิดได้ถ้าการกระทำของเราไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยถ้าเราไปอยู่วัดแล้วเราก็ไม่มีงานอะไรที่ต้องทำไม่มีงานที่จะต้องใช้ความคิดงานที่เราทำก็มีแค่ ง, งานแค่เลี้ยงดูร่างกายเราและดูแลความสะอาดของสถานที่พักของเราเท่านั้นเองซึ่งงานเหล่านี้มันก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราก็คอยควบคุมความคิดได้วิธีที่เราจะคอยควบคุมคิดไม่ใจคิดเพ้อเจ้อ คิดฟุ้งส้านได้ก็คือเราต้องมีกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการมาควบคุมความคิดมามาเจริญสติให้เรามีสติอยู่กรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีหลายแบบด้วยกันที่เรารู้จักกันที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆก็คือให้เรามีพุทธานุสติเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ผูกใจเพื่อเราจะได้หยุดความคิดต่างๆได้ ถ้าเราคอยคิดพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมานี้ใจเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้พอเราสามารถควบคุมความคิดได้ด้วยพุทโธแล้วพอเรามานั่งสมาธิมานั่งหลับตาใจของเราก็จะสามารถนิ่งสงบได้ไม่ฟุง้งซ่านได้ผลจากการนั่งสมาธิเวลาจิตสงบจิตหยุดคิดแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งปวง ความสุขต่างๆที่เราได้จากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดผะนี่เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบแล้วมันเหมือนฟ้ากับบินเลยมันจะทําให้เรานี้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนเคยหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสพอได้มาพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะเปลี่ยนแทนที่จะไปเที่ยวก็จะไปวัดแทน จะไปหาที่สงบเพื่อไปปฏิบัติงั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเวลาทำใจให้สงบแล้วนี้กิเลสตัณหาความอยากมันก็หยุดทำงานความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหามันก็จะหายไปเชั่วมข่าวอันนี้แหละเป็นขั้นสมาธิขั้นที่เราจะสามารถที่จะหยุดความอยากได้อย่างเต็มเต็มที่พอความอยากหยุดเต็มที่ความทุกข์ที่เคยเกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดจากใจ เหนือแต่ความอ่มเหนือแต่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่ว่าความสงบของสมาธินี้มันยังเป็นความสงบแบบชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาหลังจากที่เราอยู่ในสมาธิได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ต้องถอนออกมาพอเราถอนออกมาเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็มักจะกลับไปคิดถึงความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่ พอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมานี้พอเราเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องมาใช้ขั้นต่อไปคือปัญญาเอาปัญญามาสอนใจบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากนะความอยากมันจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราอยากได้มานี้ได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอเพราะมันเป็นของชั่วคราวแล้วมันจะต้องมีวันหมดไป พอมันหมดไปมันก็จะทําให้เราต้องไปหาของใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่มันก็เป็นก็หามาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยู่นั่นพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะต้องกลับไปมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอันใหม่อยู่เรื่อยๆไปอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เราเลิกทําตามความอยากหยุดความอยากทุกชนิดให้หมดไปจากใจให้อยู่กับความ ความว่างความสงบความปราศจากความอยากความว่างความสงบความปราศจากความอยากนี้ก็คือพระนิทานนี่ที่จะให้ความสุขกับเราอย่างยั่งยืนอย่างถาวรทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอีกต่อไปเพราะเรามีความสุขอยู่ในตัวเราตลอดเวลานี่นะคือคือความสงบความสุขคือการวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ตัหลุดพ้นในขั้นสุดท้ายของขั้นปัญญา แต่ก่อนก่อนที่เราจะมาถึงขั้นปัญญาได้เราก็ต้องผ่านขั้นขั้นต่ำขึ้นมาก่อนผ่านขั้นศีลผ่านขั้นสมาธิแล้วถึงจะมาผ่านขั้นปัญญาได้เมื่อเราผ่านขั้นปัญญาได้เราก็จะได้วิมุตติได้นิพพานได้รับมรดกที่พระเจ้าได้ทรงอมอบไว้ให้กับพวกเรานี่ยนี่แหละคือเรื่องของการมารับมรดกของพระพุทธเจ้าต้องรับด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ศึกษาคําสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็นําำมาไปปฏิบัติปฏิบัติแบบสุดปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิ บ, บัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลก็คืออริยทรัพยขั้นต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีแลนะพระอรหัตตตนตมาตมระดับ อันนี้คือเรื่องราวของมรดกของของพระพุทธเจ้าที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปูราลาิปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิตทินางเปตานังปะกับปติ เจชีตังปัชชิตังต um ุมหังคิดระเมวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพปะโรควินัสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีฤทธนิจังวุธาปจายโนจตรมมารโหธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลาังอ่านำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามแล้วหมดเท่าไหร่ค่ะเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้ตับฟังธรรมณนาคุตจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสามร้อยแปดสิบห้าท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สาม้อยหกสิบเจ็ YouTube d ร V ี h a n n e l 4่สิวิทยุออนไลน์หก รับเ้าสามนาุหนึ่งร้อยแปดสิบหกเวิมทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดท่านค่ะพระอาจารครับปรามัตสัจฉะแปลว่าอะไรครับพูดไหม่ีย้ดังๆปรามัตสัจะปรมตสัฉะใช่ปรา ม, าตรามาตัตสัจฉ ะ, าาะออก็เป็นความจริงที่ที่เหนือโลก ความจริงที่ไม่ใช่ conventional wisdom no, เป็น absolute wisdom ครับผมเช่นทาตสี่ดินง้ำลงไฟเนี่เป็นอรมาตถสัจจะแต่ร่างกายนี้เป็น conventional truth สมุดไ ต, ต่ใช่ไหมครับ<ะ>สมุด ต, ต่ใไหมครับพระเกโลกีสัจจะอะไร ปรมัตถ์ก็คือความความจริงที่ที่เป็นความจริงแท้จริงความแท้จริงครับผมความแท้จริงคือไม่ใช่นั่งกายน่างกายนี่ไม่ใช่เป็นความจริงเดี๋ยวนั่งกายนี้ก็หายไปครับผมแต่ที่ไม่หายก็คือธาตุสีดินน้ำลมไฟเข้าใจไหมครับใจครับเป็น absolute truth ใช่ใช่ absolute t r ใช่ ครับผม Always the same Always the same ครับผมแต่ร่างกายนี้เป็น conventional truth ครับผมเดี๋ยวก็หายไปครั บ, รบเป็นชั่วคราวครับแต่ดินน้ำล่ายนี้นเป็นตลอดเวลาครับผมขอบคุณมากครับ ค, <S <S คำถามจะพูดรับฟังนะคุณค่ะ ยิบสเปร์กาจัดปลวกมาลงให้ช่างเพราะช่างขอแล้วที่บ้านมีเหลืออยู่พอดีจะบาปไหมคะแต่ช่างเป็นคนฉีดค่ะถ้าเราไม่สั่งเขาเขาทําเขาด้วยอาสาสมัครก็อยากจะช่วยเรา อ, อันนี้ก็เราก็ไม่บาปแต่ถ้าเราไปบอกเขาขอร้องเขาให้มาทําให้เรานี้บ่บาปแต่ถ้าก็เห็นว่าเรามีปลวกแล้วเขาเห็นว่าเราถือศีลเราทําบาปไม่ได้ เขายังไม่ถือสี่งเขาก็อยากจะช่วยเราเขาก็ยินดีที่จะทำบาปแทนเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาค่ะคำถามจากทางยู u ูบด็อตร V วค่ะจากคุณใบบุญถ้าเรารู้สึกเครียดจากเรื่องการทำงานสามารถใช้พุทธานุสติช่วยได้ไหมคะได้ถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องงานถ้าพังความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานก็จะหายไป แต่พอเรามาคิดถึงงานนี่มันก็จะเครียดใหม่ได้ถ้าอยากจะให้หายเครียดแบบแบบยั่งยืนเราต้องใช้ปัญญาพิจารณว่างานที่เราทำก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้อย่างหนึ่งเราก็จะปลงได้วางได้ทำเท่าที่เราทำได้อะไรทำไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันไปตายไปเราก็ อ, าอะไรไปไม่ได้อยู่ดี อันนี้มันก็จะหายเพียรตลอดเวลาอย่ไปยึดมั่นถือมั่นากับการงานมากจนเกินไปจนทำให้เราเพียรค่ะคำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะสกุณศรัทธาขอถามครับทำไมงานผ้าป่าจึงมีพระจัดทาองค์เดียวได้ในบางสำนักสงฆ์ครับเพราะเท่าที่รู้มาต้องมีพระห้าองค์ขึ้นไปผมจึงอยากทราบความจริงครับ อันนี้มันแล้วแต่จะถวายแบบไหนถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นให้ส่วนรวมหรือถวายให้กับภาพรูปใดรูปหนึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นสาคัญหรอกถวายได้องค์เดียวก็รับได้สี่รูปห้ารูปก็รับได้มันขึ้นอยู่ว่ารับไปแล้วเอาไปทำอะไรถ้ารับแล้วเอาไปเก็บไว้เป็นของคนของขอ ง, ของตนเองอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนบุคคลไป ถ้ารับไปแล้วเอาไปแบ่งกันใช้ให้กับพระลูกอื่นที่อยู่ในวัดได้ใช้กันก็เรียกว่าเป็นสังฆท า, านค่ะคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะ การที่เราจะพิจารณาอสุภะเราจะพิจารณาอย่างไรครับจะมองเห็นอ ว, วัยวะภายในร่างกายได้อย่างไรเช่นหัวใจตับไตลำไส้อาหารใหม่อาหารเก่าลอกเนื้อลอกเนื้อลอกหนังออกเป็นต้นหรือว่าพิจารณาแบบจินตนาการเอาขออุบายจากพระอาจารย์ชั่วยชีแนะด้วยครับคือการพิจารณาสุภะนี้เพื่อลดละความอยากร่วมเพศกับคนหนึ่ง เหตุที่ทำให้เราอยากจะร่วมเพศกับคนอื่นเพราะเราเห็นร่างกายเขาสวยงามดูแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาวิธีที่จะทำให้อารมณ์นี้ดับไปก็คือต้องมองไปข้างในของร่างกายเขาพอเห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกของเขาการอยากจะร่วมเพศมันก็จะหายไปความกลัวผีก็จะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละเห็นดูยังไงก็ได้ดูแลให้เกิดความกลัวขึ้นมาอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาแั่นี พอเราไม่ดูข้างในแล้วก็เห็นว่าข้างนอกสวยมันมีผิวหนังหุ้มห่ออยู่แล้วมีการเสริมสวยด้วยด้วยทาสีปากทาสีคิ้วอะไรต่างๆมันดูแล้วก็ดูแล้วนะสวยงามก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาแต่พอเรานึกถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาะนะเขาสวยแต่ข้างใต้ผิวหน้าเขามีอะไรก็มีกระโหลกศีรษะพอรานึกถึงกระโหลกศีรษะว่ามันจะสวยตรงไหนวะใช่ไหม นั่นแหละคือวิธีพิจารณาสุภะแบบไหนก็ได้ขอให้เราละ ก, กามอารมณ์ความความกำหนัดยินดีให้ได้ในขณะที่เกิดกามอารมณ์นั้นค่ะคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะถ้าจิตเราไหลไปกังวลกับการเจ็บปวดของร่างกายเราจะมีวิธีประครองจิตอย่างไงไม่ให้กังวลกับร่างกายคะถ้าใช้ปัญญาก็ต้องมองว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจผู้มาใช้น่างกายเราเป็นคนที่สั่งให้น่างกายทำอะไรให้กับเราน่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายเขาใจเป็นนายกายเป็นบาทเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเราไม่ตายไปกับร่างกายแลนั่งกา ย, ต, กายตายก็ป่วยมันตายไปเราไม่ได้ตายไปเวลาตายก็เป็นเหมือนกับการนอนหลับทีดีนี่เอง เวลานอนหลับเราก็ปล่อยร่างกายไปตอนที่เรานอนหลับเราไม่รู้เรื่องของร่างกายนะร่างกายจะเป็นยังไงมันเราไม่รับรู้ไม่สนใจดังนั้นให้สอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายเหมือนเราเป็นเจ้าของมือถือเงี้ยมือถือกับเราไม่ได้เป็นของอันหนึ่งอันเดียวกันเวลามือถือเสียเราก็ทิ้งมือถือไปแล้วก็ไปเปลี่ยนซื้อเครื่องใหม่มาใช้ต่อได้ เวลาร่างกายนี้ตายไปถ้าเรายังต้องการใช้ร่างกายอยู่แล้วก็ไปเกิดใหม่ไม่ได้ร่างกายอันใหม่ท่านั้นเองแต่ได้ร่างกายกี่ครั้งก็ต้องเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายทุกครั้งไปมันก็จะทาให้เราทุกทุกครั้งไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีร่างกายการจะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุขจากการใช้สตินั่งสมาธิแทน อเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราก็เลิกใช้นั่งกายได้พอร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปได้ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้หมดแล้วเลยคำถามจากผู้รับฟังหนะ้ากุศลค่ะพระอราหันต์เก่าเป็นอย่างไรคะนพูดหน่อยสิพูดหน่อย พระอาหารหันต์เก่ากับพระอาหารหันต์ใหม่ต่างกันอย่างไรครับมีด้วยนะของเก่าของใหม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินวันนี้พระอาหารหัน์เก่าพระอรหันต์ใหม่ค่ะคำถามจากทาง y optimized u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเมื่อท่องพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตสงบแล้วจะทำวิปัสสนาเพื่อดูความคิดดูจิตดูเวทนาในชีวิตประจาวันได้อย่างไรครับ ก็คือเวลาอยู่ในสมาธินี้ดูอะไรไม่ได้เพราะเวลาจิตนิ่งสงบนี้มันจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวความคิดอะไรต่างๆมันจะหยุดคิดชัว่วคราวเราต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วเราก็มาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่วันละเราอยากจะดูอะไรเราติดกับเรื่องอะไรเราก็ดูเรื่องนั้นถ้าเราติดเรื่องแฟนกังวลกับแฟนห่วงแฟนก็ต้องดูว่าแฟนเขาเป็นของแน่นอนหรือเปล่า เขาเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนชื่อสัตว์สุดจะเดชอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีเวลาแวะไปหาคนนูน้นหาคนนี้หรือเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องดูความจริงดูว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อ ร, รู้ว่าเขาไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะได้ไม่ไปปลูกความหวังไว้กับเขาพอเราไม่ไปปลูกความหวังให้กับเขาเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเขาเป็นอะไรไปนี่คือการศึกษา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปไปยุ่งด้วยเนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันไม่สามารถเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหรือมีการเสื่อมไปหมดไปนี่คือการศึกษาพิาพจารณาเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเห็นอนัตตาว่าเป็นสิ่งที่เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ <winning. S 1> เขาจะอยู่เขาจะไปนี่เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะไปเขาก็ไปเนี่ย เขาอยากจะอยู่เราก็ห้ามเขาไล่เขาไปเขาก็ไม่ไปให้เราปล่อยวางปล่อยเขาเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดกับเขาไม่ทุกข์กับเขาอันนี้เ ร, เรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วเพื่อให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนึกครอบครองอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของชั่วคราว วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปหรึอเปลี่ยนไปหมดไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราอยู่กับเขาได้ทุกลูกแบบเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับเขาเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะเขาต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็ไม่เป็นตามที่เราวางแผนไว้ก็จะทำให้เราทุกข์ใจได้คำถามจากทาง u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ระริยะเช่นพระโสดาบันเป็นต้นท่านยังมีความทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายไหมเจ้าคะคือความจริงอยากจะให้ไปเป็นเองดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมาถามแต่ถ้าดูตามตำราท่านก็บอกว่าพระโสดาบันนี่ปล่อยวางร่างกายได้นะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านท่านเป็นใจ ร่างกายเป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นเพรานั้นร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาโรกพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันก็เลยยอมรับความจริงยอมยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตาย พอรับได้แล้วก็ไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะบนโลกมนุษย์คนฆ่าคนมีความผิดมากต้องได้รับโทษทางกฎหมายแต่คนฆ่าสัตว์อาจไม่ได้รับความ อาจไม่ได้รับโทษคนทั่วไปก็รู้สึกเฉยๆทางธรรมเมื่อตายไปค่าคนกับค่าสัตว์ผลบาปที่ได้รับจะต่างกันไหมคะมีหนักมบีบาปมีหนักมีเบาขึก็อยู่ยกับคนที่สิ่งที่ถูกฆ่าว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรถ้ามีคุณค่ามากก็บาปก็จะหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันจะหนักกว่าไปฆ่าคนอื่นเพราะว่าพ่อแม่มีพระคุณกับเรามาก กับคนอื่นเน้นบาปมันก็จะต่างกันผลของบาปก็จะต่างกันค่าคนกับค่าสัตว์มันก็ต่างกันเพราะคนมีคุณค่ามากกว่าสัตว์นี่เป็นไปค่าเป็ดค่าไกา่เนี่มันเป็ดไก่มันไม่ค่อยมีคุณค่ามันไม่ได้ค่อยทําประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคนคนที่มีคุณค่ามากกว่าทําประโยชน์ได้มากกว่าโดยเฉยพาะถ้าเป็นคนที่มีมีบุญคุณกับเราพ่อแม่เราหรือพระพุทธเจ้าผ้าอาหารเนี่ย ถ้าไปฆ่าบุคคลเหลนี้ถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นคณิกะสมาธิไหมครับรู้ยังเป็นสเตอยู่จะเป็นคณิกะเมื่อจิตรวมนิ่งสงบว่างเย็นสบายเหมือนได้เข้าห้องแอร์ก่อนนั่งนี่เหมือนอยู่นะอยู่ข้างนอกร้อนนั่งน้อดอุด่นีา พอจิตสงบแล้วอาการอืดอัดอะไรต่างๆจะหายไปใจจะว่างจะเย็นจะสบายอันนั้นอ่ะถ้าถ้าสงบเดียวๆก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ ถ, าถ้าถ้าสงบนานก็จะเรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติมีสติรู้อยู่กับการลมหายใจเข้าออต้องมีสติรู้อยู่กับอะไรก่อนพื่อจะหยุดความคิดหยุด พอพอรู้อยู่กับลมมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เ ร, เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พออยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคาถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจากคนที่ถามเรื่องผ้าป่าท่านเดิมนะคะถามว่าการจัดผ้าป่าและกระถินสามารถจัดได้ปีละกี่ครั้งครับ ถ้าป่าไม่มีกำหนดจัได้ร้อยครั้งพันครั้งตลอดจัดได้ตลอดทั้งปีทั้งเดือน ท, ทุกวันแต่ผ้ากรถินนี้จัดได้เพียงวัดหนึ่งรับได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องอยู่ในเดือนช่วงหลังจากออกพรรษาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันวันแรมวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิอดถึงวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองเป็นเขตที่รับกระถินได้และรับได้ครั้งเดียวต่อวัดหนึ่งครั้งหนึ่ง อตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะ okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหมฝังแล้วยังสงสัยอยู่ยังไม่เข้าใจก็เชิญถามได้ถ้าไม่ดีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอ